ทีนี้บางทีแยกกันไม่ออกระหว่างสติกับสัพพัญญะสติเนี่ยเหมือนเรามองอะไรมองลูกส่วนเนี่ยเรามองด้านหนึ่งใช่ไหมแต่ถามว่าในกลีบลูกส่วนเนี่ยมันมีเป็นหลายร้อยกลีบเนี่ยนะถ้าเรานับด้วยสายตาเนี่ยเราจะนับยากมากเพราะแต่ละกลีบเนี่ยมันเล็กๆเล็กๆกันนะแล้วก็นับในด้านเดียวแต่พอเราจะนับอีกด้านก็จะหมุนมาถ้านับที่มันอยู่ในนั้นอนะมันก็ยังไม่ชัดอยู่ดีทีนี้จะทำไงให้นับให้มันชัด องเป้ทั้งเล็กทั้งใหญ่นั้นคือต้องใช้ปัญญาแล้วขั้นที่สามจับมาแยกกันเป็นชิ้นเลยเพราะฉะนั้นมองอันเดียวได้ทั้งสติทั้งสมัมปชัญญะและทั้งปัญญาอยู่ขึ้นมาในการมองมองด้านเดียวได้สติหมุนนองให้ครบได้สมัมปชัญญะแต่ยังไม่ได้ปัญญาเพราะไม่รู้ว่าจำนวนกี่มันเท่าไหร่กันแน่ถ้าจะนับด้วยสายตาเนี่ยไม่ครบแน่สมมติว่ามันมีร้อยกยี่คุณอาจจะรับได้สักเจ็ดสบแปสิ บ, ส บ, ส บ, สบนะ พอเล็กๆนี่นมองไม่เห็นชัดอ่ะนะเมื่อกีนันนนบหลงไปหลงมาเนื่นองจากว่ามันถี่มากเพราะฉะนั้นจิตของเราไม่สามารถโฟกัสเฉพาะจุดได้เลยติดกันแต่พอเราแยกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นปันนป๊บเนี่ยเราจะได้รู้จํานวนแน่นอ น, น, นคือปัญญาเพราะฉนั้นสติสัมยะและปัญญาก็ทํางานสัมพันธ์กันอย่างเนี้ยสติคือมองด้านใดด้านหนึ่งสั ม, มยะมองครบด้านแต่ไม่รู้รายละเอียดแต่พอไปแยกรายละเอียดแล้ปั๊บเป็นปัญญาการมองก็เสียกันบางครั้งเราจําเป็นนั่งมองช่ว ด้วยสติเท่านั้นไม่จําเป็นต้องมองทั้งหมดบางกรณีเนะี่ยบางครั้งต้องมองด้วยสมชัญญะคือดูทั้งหมดบางครั้งต้องการอะไรมันอะไรอะไรกันแน่เนี่ยต้องแยกออกมาทีละจุดเลยอ้หนักอันนี้เบาอันนี้วิธีคุณดูนะอ่านคราไลเซนก็จะได้ครบทุกมิติทั้งสติทั้งสมัญญาทั้งปัญญาในกรณีตัวอย่างแบบนี้ถ้าเราไปบูราณาการใช้ห ล, ลายๆตัวอย่าง ตัวนี้มัก็จะเจริญได้ไหวเมื่อไปดูจิตกันเหมือนกันดูจิตแบบรวมๆว่าเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวมันไม่คิดแล้วก็รู้มันหลงหลบตันเองนะเป็นบางด้านแต่ถ้าจะดูด้วยสัมผัะคือรู้กายไปด้วยจิตมันเข้ามาแล้วก็เห็นจิตเริ่มเข้าออกนุ่มชัดแล้วเพราะจิตหนึ่งมันอยู่ที่กายในเปอร์เซนต์ที่มากกว่ามันก็จะเห็นกายได้ชัดแต่ถ้าใช้ปัญญามันจะรู้ว่า เมื่อเอากายกับใจด้วยสติธรรมาอยู่ด้วยกันแล้วจิตเข้าอย่างไรออกอย่างไรเราจะเลือกเข้ามาได้ทีและความคิดก็ได้หรือเราจะไม่ให้มันเกิดเลยก็ได้นี่ใช้ปัญญาแล้วเพราะนั้นความสัมพันธ์ของสติสธรญมะและปัญญาก็จะสัมพันธ์กันแบบนี้เพราะนั้นฝึกใช้บ่อยๆแล้วมันจะเกิดทักษะของมันเองแล้วต่อไปเราจะมองด้วยมิติไหนมันก็จะเลือกได้นะถ้าสมมุติเราจะมองด้วยมิติทางปัญญามันก็จะต้องจับสองตัวมารวมกันให้ชัดกันคือสติธรรญะแล้วก็ จะเอาไปเป้าเดียวแยกระหว่างดูความคิดกับความไม่คิดเราดูความไม่คิดเดี๋ยวความคิดมันเข้ามาละเนื่องจากมันเป็นกฎของการเกิดดับใช่ไหมอย่าให้มันไม่คิดนานๆเลยไม่ได้มันคิดแต่คิดมันนานๆไม่มันก็ไม่ได้อีกเฮ้ยต้องดับไปแล้วความคิดใหม่เข้ามาเดี๋ยวก็จะต้องเฝ้าดูความการเข้าออกอ่าเข้าออกตลอดในการเข้ากันออกเราก็ไม่เรียกว่าเผอลอหรอกนะแต่ว่ามันหน้าที่ของจิตมันทําหน้าที่เกิดดับแต่ละขณะไป แต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันเราไปเห็นตัวเกิดนีไปรู้นายปล่อยให้การเกิดมากกว่าดับตัวนั้น เ, เรียกว่าเผลอแต่ถ้ามันเกิดดับเท่าๆกันเราไม่เรียกว่าเผลอเรา เ, รเป็นเห็นด้วยปัญญาตัวนั้นอเอ๊ะคำว่าลูลืมตัวเผลอไปหรือเผลอคิดไปเนี่ยเราจะใช้สำนวนภาษาอั ง, งกฤษว่างไงไไไฉันเผลอคิดไป ให้เขาให้คนเจ้าของเขาเข้าไปเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยเราจะใช้ศับไอไอแคลริสไม่นะนไอไอนคลริมันสลิปอินน่ะมันสลับเข้ามาเพอเอคิดเพอความคิดเข้ามา mm hmm. ตรงเนี้ยเราจะเข้าใจความหมายว่าไงว่าความคิดมันออกจิตมันออกไปหรือความคิดมันเข้ามากันแน่ mm hmm. mm hmm. ถ้ามีการกระทบจากอจตนะนัางหูจมูกลิ้นกายเป็นความคิดเข้ามาแต่ถ้าเป็นการกระทบทางจิตความคิดมันแฉลบออกไปอแฉลบออกทางเดียวคือทางใจดังนั้นแต่เข้ามาเข้ามาห้าทางเพราะมีการกระทบก่อนถึงเข้ามาแต่ถ้าหากถ้าเพราะฉะนั้นในที่แฉลบออกไปกับที่มันเข้ามาเนี่ยอะไรมากกว่าเวลาเก็บอารมณ์เนี่ยออกไปมากกว่าแฉลบออกไปเนี่ย เพราะว่าการกระทบทางอายตนะห้าไม่ค่อยมีใช่าหมจนะทัาเราออกมาเจอผู้คนทำอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจะสลปบออกไปมันเ้องจะมีคำว่าสลับอินกับสลัเอาด้วยสลิปอินเนี่สลิปเอาตัองใช้ดูให้ถูกสถานการณ์แต่ยังไม่เข้าใจที่ว่าความคิดออกไอ้จิตมันออกอันเข้าอันที่ภาษากระทบแล้วความคิดเกิดขึ้นนี่คืออันนั้นแหละสลิปเอา งงออกคือออกจากใจไปรับไปรับ<อ>รับรู้รู้สิง่งทิ่แล้วที่มาสัมผัสอ่ะนะ<อ>แล้วก็นำเอาภาพนั้นเข้ามาคิดต่อนี่เขาเรียกอะมาสลิปเอาแต่ถ้าหามันคิดจากใจแล้วนําเอาภาพนำข้างนอกเข้ามาเนี่ยเข้ามาคิดต่อเนี่ยเป็นสลิปอินอ๋อถ้าเกิดอันนั้นมันก็เหมือนปรุงแต่งใช่<ต>ใช่ <laughs> แต่ความจริงแล้วสลิป กระทบเนี่ยเป็นต้นเหตุนะแต่สลิปอินเนี่ยเป็นต้นเหตุแต่สลิเอานี่เป็นเป็นเป็นปลายเหตุทาใม้จิตต้องออกไปเพราะว่ามันมีการเข้ามาก่อนฮะไม่รู้นะเป็นภาษาเป็นาษะเป็นภาษาเป็นก็เป็นรูปนามคือน้ำความร้อนเป็นรูปใช่มแต่รู้สึกได้ว่าแต่ขณะนั้นท่ามันเป็นทัสองอย่างเยครับเป็นอ่าเป็นท้อย่างเป็นทั้งรูปด้วยเรเกิดความอ่า พงาเอามันร้อนนี่นะตอนที่พงาไม้คือมันเป็นนามลูกใช่ไหมตอนที่มาโกรู้สึกรู้สึกร้อนมันรู้สึกของมันคือคือกายมันรู้สึกว่าอันนี้คือร้อนสิ่งนัจริงรู้สึกว่าอันนี้ร้อนแต่ไม่มีไม่มีคาว่าไม่มีคาว่าชอบหรือไม่ไม่มีคาว่าชอบหรือไม่ชอบน้าร้อนนั้นใช่ไหมถ้าไม่มีครับแปลว่ามันจะรู้สึกกันได้แต่ในเนี้ไม่เวียดนามลูกเป็นเวทนาเป็นเวทนา อ, อันนี้มถึงว่าทาสังเกตนะรัสังเกตหรือว่าหรอว่าหนักเบนการรับจา่ายสังเกตกันเหรออยจะรู้ว่า ส, สังเกตเป็นจุด ๆ, ๆ, ๆไปเรื่อย ๆ, ๆอย่างนี้นะนพอหลายจุดแต่หลายจุดเข้ามันก็จะเกิดทักษะแต่ส่วนใหญ่เราอยู่ด้วยกันไม่สังเกตมันก็ผ่านๆไปถือเรื่องธรรมดาใช่แต่ในเวลากรรมฐานแล้วเนี่ยจุดเหล่านี้คือเป็นจุดต้นเหตุของการปฏิบัติแถ้าจะมานั่งสมาธิหรือมาสร้างจังหวะอย่างมันไม่พอ ในการที่จะเก็บมันนะมันก็ต้องจับทุกจุดไปฝึกทะเพื่อให้กรรมฐานมันก้าวหน้าเท่านันเองพ่อคพ่อช่วยพูดอีกรันึงเมื่อกี้พ่อบอกว่าเวลาปฏิบัติถ้าเห็นเกิดมากกว่าดับนี่คือเราตั้งใจมากเกินไปใช่เกิดมากกว่าดับหมายความว่าเราเผลอมากไปเผลอมากไปมันก็คิดมากกว่าไม่คิดนะนี่หมายความว่าควรจะรู้ทันมันไปดังหลายความคิดแล้วถึงรู้ทันเนี่ยเขาเรียเกิดมากกว่าดับแต่ว่าเกิดในรู้ทันที่นั้นเกิแล้ว การเกิดการดับเท่ากันเพราะนั้นเป้าหมายเราต้องการตรนั้นเดีดยวเท่ากันก็ถือว่าสมดุลบาลาน